ตาเร้มีใครได้ได้ไปได้เคยชิดไมมแต่ละเมือ่อแต่ละวันชิดเรื่องอนิจจังชิดหรือไม่กุ่อว่ามีเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีแปรปวนในท่างกลางมีแตกสลายในที่สุดไม่มีมนุษย์ดักคุดเอน็นพรมที่ไหนจะอยู่ได้จะทุกข์จะจนจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามซักปันใดเอาเถอะมันจะแย่ไหมมันจะเจ็บไหมมันจะตายไหมเวลาแย่แล้ว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 โสภาไหมน่ายินดีพอใจไหมแจกแล้วไม่มีใครต้องการหรอกรอวันตายอ่นั่นเนี่ยหนังมังหังสังเหี่ยวแห้งหมดเออเสื้องามันมันหายไปไหนอ่มันหายไปเพราะมันมันไม่เที่ยงมันนี่เนี่หายไปทีนี้ทีหน่อยหายไปทุ่มืันทุกวันเราไม่เชื่อท่องจูดูมันเป็นยังไงบ้างนั่นเราจะได้เห็นว่าโอ้เรานี่แจ่จริงนะอ่มีเจ็บมีแจ่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 เห็นทุกข์น้าเห็นหน้าตานะใจมันจะไม่ยึดไม่ติดไม่สําคัญมม่หมายเวลาธาตุจะแตกขันจะดับอมันจะไม่ได้กังวลไม่ไม่ได้เสียหุ่เสียใจอยู่กหน้าตายไม่เป็นไรบัณฑิตนักป่าท่านพิจารณาอยู่ทุกวันนุวันทุวันเนี่ยถ้าไม่วันไหวายโยมพิจารณามื่ลงตัวทุกวันเอ้พิจารณวันนี้ก็เห็นความเจ็บวันนี้ก็เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวันมันจะว่ายังไง ใจมันก็ยอมรับได้นี่วันหนึ่งยีงง่สิบสี่ชงมันคิดไปที่ไหนบ้างมันได้ภาวนาไห้ได้กพิจารณาสำรวจตรวจตาสังขารร่างกายในจังทุกครั้งนึกตาหรือไม่นี่ส่วนมากมันไม่คชดหรอกจิตใจมันแสบสายเพลิดเพลินเจริญไปที่ไหนหมู่ไปกระสุกกระสุยไปทั่วที่ทั่วแดนนั่นมันก็ได้อยู่แบบไม่รู้เรื่องลู่ลาว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 ใจมันก็รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนกับเรามีลูกนะเราต้องสอนมันทุกวันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเราสอนมันทุกวันทุวันุวันสอนไปสอนมามันรู้เรื่องรู้ราวมันเข้าใจพ่อแม่บอกว่านอนสอนง่ายพ่อแม่สันจะสุขสบายเพราะลูกอยู่ในโอวาทลูกเชื่อฟังลูกรู้เรื่องรู้ราวถ้าหากว่าลูกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรูราวเนี่ยพ่อมันเป็นทุกข์สนุกทั้งเป็น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 รถแช่นิดลดแช่หน่อยพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในสัตพางร่างกายมีแต่อนิจจังมีแต่ทุกมีแต่หน้าตามันจะมายึดมาถือมาเอามาแบบไ ม, ม่หามเอาไปทำไมนั่นเราคิดว่าเราโง่เราดุจฉลาดจะเอาไปทําไมเอามันก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยระวางได้เวลาขาดใจเวลาถ้าตุจะแตกขันใหบมันมีปัญหา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 เราไหพระสวดมนต์ภาวนาไม่ตายขึ้นหนึ่งหนาทีสิบนาทีทําจิตทําใจให้ผ่องให้ใสให้ดีให้งามจมูกตรวจตาตื่นขึ้นมาคิดถึงเรื่องบุญอย่าไปคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบาปมันเศร้ามันมองมันขุ่นมันมัว ม, มันพุ่งซ่านวุ่นวายตัวบาปไม่มีแต่ตัวปัญหามีแต่ตัววุ่นวายตัวอับปี่จันเลยบุญกุศลนี่คิดเท่าไหร่ยิ่งเย็นเยือกเยือกยิ่งเย็น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 นะถ้าใจดีใจมีคุณธรรมแล้วไม่หวั่นไหวไม่อยู่ในความกลัวตายวันนี้ก็ได้คิดมาเวลาไหนโอ้เราเดต้ทำกิ่งงามกมดีเรามีที่พึ่งทางด้านจิตใจแล้วเราตาเรา้มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสวรรค์มีพระนิพพานมีนั่นมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะระพุ่งไปบัตรไปทุกวันให้ต่อเนื่อง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 ไม่ป่วยไม่ใครพอไปเห็ น, หนมีทั้งเท่าทั้งแจ่สลามีทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งสาวผม พ, พี่นาดูมันแจ่จริงๆนั่นแหละก็นอมาเป็นธรรมะผนที่สุดมันก็ไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแค่นี้แหละเ อ, าอามากร้อปีพวกเราก็พันมากันท้วนอยู่นะ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 แล้วนั่งสมาธิก็เห็นความจริงแล้วรักษาศีลก็ได้รับอานนสงแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปแล้วปฏิบัติธรรมก็พ้น ท, ท, ท, ทุกได้นั่นทำไมจะไปสงสัยคาใจของใจให้เราดำเนินต่อไปพี่น้าต่อไปตื่นขึ้นมาให้นั่งสมาธินอนก่อนนอนกให้นั่งสมาธินั่งมันทวนให้เป็นจิตจวัด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 ก็นับว่าเป็นสวรรค์นในโลกม น, นุษย์อันหนึ่งเนี่ยวันนี้ขอให้พวกท่านได้มว่าความสุกความเจริญประสบความสำเร็จด้วยตัวหน้ากันเถิด